นนแม้จะผู้ทำความจริงแทนไหนถานดึงดังงนขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องนนหน่อเหนองเยอั่นไม่ค่อยถึงความจริงนเป็นตัวจริงของท่านการเสียงนเป็นเรื่องของขานากตลอดท่านดันมัน่นเลยโ้เสียงยากผมยอมรับผมเสียงไา้มากนนท่านันมัน่นเป็นเรื่องธรรมดาเล ทุกสิงทุกอาการที่แสดงออกนีกจดเรื่องความจริงทางานผ้เขียนเอกความําไปเขียมันได้เหมือนเรื่องจรไมัต้อไปผีวเผินผิวเผินทั้งไปนั่งนั่กับผิวเผินผิวเผินงมงเมาแตอนี้ไม่มีในหนังสือตทางๆเขาให้ทราบโดยชัดเจน ว่าผูแก่เึ็ผู้เชี่ยชาญทางชาบาลเาเสียชาญแต่ถอยเอาคม่ น, นออกมาให้ถึงจิตถึใจคนนียากนะาว่าสุทธมันจะดอมถึงเมื่อออกจากพระไทยและพรโ อ, อของพรจ้าซ่เต็มได้วยความอัศจรมไม่นเลยดไม่งั่นจะสามารถรือถอนที่เดที่สังตอมีภายนใจของสายโลกให้ ดุพจสตรรากฏบนวันต่อภพของท่านได้สํานรณ์เท่นั้นทำนี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากความของพรุธเาเป็นคํามประเสัศจรรจตราที่เลกได้ท่านเาผลทําน่อี่งผลท่าตนั่นหลักความถี่มีอำนาจมาความจำไม่ได้มีอากอะไรกิเลสตัวเดียวไม่ได้หลดอยไปเพราะความจำนั้นเลย แต่มื่อผานังประมังสุขังพ่านังประมังสุญญ์ยั ง, ว, ง, ว, ง, งว่าเหมือนลูกพระเจ้าไม่นึวข้องว่านั้นไม่ถึงผูรู้นิพานพูดมนถึงไม่พูดก็ถึงนั่นคือความจริงถ้าเรงพรยายามปฏิบัติให้เห็นความจริงในตัวเองแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีน้ำหนักไปทุกบททุกวัดทุกแน่ทุกหนเพราะธรรมะนั้นทร ง, งความจริงหาพูด ทรงความจริงอย่แล้วที่จะเข้าไปเทียบเพียงเป็นจับผีพยานขึ้ขน ก, กันกันมีอยู่ในธรรมนั่นโดยสมบูรณ์แต่จิตของผู้อ่านผู้จดจาไม่นมองนันไม่ไดเป็นประกานนั้นมีแต่ผู้เด็กครอบนาหัวใจจาก็จาได้ยิ่งเรไปเสียนมันไม่ได้จาไั่นคนนนนืความจรมิงอาจเป็นทางแท้นันเป็ น, น, นเนการ ท, าท์ารปฏิบัติธเท่านั้นหการรู้ธรรมภายในจิตใจเานั้น ทีจะสามารถยังทราบความจริงของพระพุทธเจ้าควมีน้ำหนักอยาไรและยังทราบอัตธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของกระเสิรเตอร์โลกยังไงมันยังทราบที่จิตต่างหากธเกิดที่จิตไม่มีที่เกิดอื่นทางปิติปัญญาเกิดที่จิตความโง่เกิดที่จิตชี้เละเกิดที่จิตธรรมเกิดที่จิตแย้กันที่จิตลุกพ้นกันที่จิตไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แย่เป็นที่หลุดพ้น ผู้ปฏิบัติจะต้องหมุนเจือเข้าไปสูดต e ีตะล่ำเข้าไปตะล่ำไปดังที่เคยสบายแล้วนั่นแหละวิธีการปราบพิเดด้วยธรรมของตัวเมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนที่เป็นนามทั่วโลกะคะเวลาสิดมันเกี่ยวโยงไปที่ต้องไปมันไปไม่ได้สาเหตุมันไปอย่างไรพิเดช่ยมันไปที่ไหนไปเกาะไปเกี่ยวไปเกาะความลาบากลำคาที่เจ้าตัวอยู่ที่ไหนบ้างสกิจปัญญาตามให้ถ่า ไม่มีอะไรที่เป็นี mm. จากความจริงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นท่านเห็ว่าสัตทุกขังอายะสัจจังแม้จะทุกท่านก็ถือเป็นของสิ่งให้ดูสยกไปปรารถนาทำไมพระพุทธเจ้าสัจว่าทุกขังอายะสัจจังสมุทัยและอยะสัจจัมันจริงของมันท่านแก้ให้ถูกต้องตามหลักความจริงของมันแล้ววิเลศกันหาอาสวะต่างๆมากน้อยจะดิบไปไม่ได้หรอกเพีงแก้ด้วยความจริงด้วยกันคือมรรคพระอริยสัจจัง นิโรธก็ดับทุกได้ที่จริงเนื้อนิโรธาอายะสัจจ์ไม่เป็นอย่างรวมลงใน จ, จิตเป็นภาชนะเป็นที่สถิตแห่งที่เดชัญหาอาตวะวัฏตักสงสารความทุกขค์ความทมานจิตเป็นผู้บันจุวไว้ทั้งหมดและจิตเป็นผู้ผิตอัดจิตทำขึ้นมาเกิดขึ้นที่จิตความเฉล่ยสลับเกิดขึ้นที่จิตตาปราณที่เดชตาที่จิตหลุดพ้นไปที่จิต พิเสลายตัวไปที่เอามาประจันกับคือจิตกับธรรเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วว่าธรรมก็ได้ว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้คําว่าจิตจิตนี้จะพูดแต่เวลาทรงขันนี้เท่านั้นเพราะขันเป็นตัวสมรรมุติจิตเมื่ออาศัยใบนี้แล้วก็ต้องคล้อยไปตามสมมติทั้งทั้งที่เป็นใหญ่แต่ก็ต้องคล้อยไปตามสมมุติเดมองโลเพื่อให้เข้าใจกันในเรื่องสมมติการสแสดงออกเท่านั้นมาถึงความจริง อย่างเป็ไม่เป็นหน่อยจะให้เชื่อให้นานอย่างไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของชี้เล็ดทำง้นแล้วการแก้ไขถอดถอนชี้เล็ดนี่เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดไม่มีจิตใดงานใดที่จะเป็นงานหนักหนายิ่งกว่าการปราบการชี้เล็ดถอดถอนชี้เล็ดซึ่งสัมลทธิ์อยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจหาประมาณไม่ได้ชี้เล็ก็หาประมาณไม่ได้จิตใจลึกขนาดไหนชี้เล็ดก็ลึกขนาดนั้นมันถึงไหนถึงฝันมันถึงหนถ่งสามารถปกครองจิต สุดล่าสุดถ้าจะท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ละคนละคนที่ท่าว่าเราจะนําพบชาติความทุกข์ความลําบากความทรมานมาอวดกันแล้วโลกนี้เพียงของคนเดียวมันก็เป็นโลกแล้วหรือจะมีที่ไหนเป็นน้านค้าพอวางที่เดลืปัญหาคือว่าพบชาตความทุกข์ความทรมานขั้งตนถห้เป็นคู่แข่งขนันกันว่าใครจะมากน้อยกว่ากัน เพราะมันเป็นมานามี่พระอ м าสถองกิเลสทั้งห ม, มวลพากันเข้าใจให้ถึงใจการเจ้ากิเลสึงทําแบบสุกเอาเข่าตีงไม่ได้ทาไม่ทําถึงความจริงก็ไม่เห็นความจริงกิเลสเป็นความจริงเป็นส่วนของมันมนรรคปฏิจทาเครื่องดําเนินเครื่องปราบตามทก่เลสจะต้องปฏิบัติให้ถึงความจริง ของมรนี้เช่นเดียวกันเพียงจะถึงความจริงของขีดอันเป็นผู้อริสิ่ ง, นงนนนขนากะแล้วปราบตามกันได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกจะปราบตามมาแล้วเป็นจะเทือนโลกกระทำมาตลอดปฏิบั น, นี้อันเป็นผู้เลิศโดยเกิดเข้าครองหัวใจพุทธบริจัเรจำนวนมากเพียงไรประเทศไหนที่นับถือวัฒนธรรมประเทศนั้นคือนําทุทธธรรมมาสังฆาเข้าครองใจเคารพเทดิดทูน แม่นั้นท่านเป็นแม่เหล็กที่สาคัญเครื่องหนึ่งใจของ่น้าถ้าใจของท่านมากระเสริฐเติบโจทำาจของเราให้นู้ให้รับกานหด้เมน่อใจของเรารับได้มากน้อยความจริงของท่านทุกสัต์ทุกส่วนก็จะเชื่อมโยงถึงกันรปเดยการอฏิบัติต่อที่เละการการมานจิตเป็นที่เละเราต้อุการการรมานแก้ไขที่เละนเป็นสิ่ที่ยาก เราพูดได้อย่างเป็นกลางโดยไม่กระทบกระท้านว่าจะผิดว่าไม่มีสอนอะไรฝึกฝนอันใดทรมานอันใดผู้ใดสัตว์ตัวใดยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าการสึกผลอดลมหรทรมานมนุษย์เพราะคําว่ามนุษย์พื้นฐานแห่งความสมมุติก็บอกอยู่แล้วว่าสูงกว่าทรนานการที่จะพื้นโพลุพ่น เป็นประธานศักด์สีทธห่งความเป็นมนุษที่สูงกว่าสัตวก็ต้องมีกําลังวังถามีกสิปัญญาความท่าความเพียรความอดทนทุกอาการที่จะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าทังจิตใจของฝนให้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสิ้นผลทรมารย์ยากก็คือมนุษย์มนุษย์ได้จาก่ใครคำว่ามนุษย์มนุษย์นี้เป็นความกล้าฝังมากการจ่ายอย่างนี้ อาจจะมีความรู้สึกไปในนี้เป็นอกุศลก็ได้เช่นฟองมากมันตั้งหลายเราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ทั้งหลายเรากล่าวถึงเรื่องตัวของเราเองตัวของตขาคตที่ทรงสุดผลทรงสุดผลทรมาณพระโอรสถึงขนาดสลับสลายยากหรือ่นกสุดผลมนุษย์ทรมาณมนุษย์ก่อนจะได้เป็นสัตว์ปดับอีกของโลกสเราทั้งหลายท่านสุดทรมาณท่านยากขนาดไหนเราเห็นได้ในขนาดปัญญาย้วนแยะตั้งแต่ท่านเป็นมนุษย์ ท่ายากไหมขัานสึกขัานทรมานท่านนี่เล่าจะมาเอาปกบสายไม้ทั้งต้นดูรวบรวมคำทำแล้วยกมาเป็นต้นสาวเป็นบ้านเป็นเดือนนันจะหาความสวยงามความน่ารักความแน่นหนามขุมได้ที่ไหนมไมทำในทาตามขั้นตอนของมัเนี่ยการขาดที่ว่ามนุษย์ฝุกผลทรมานได้รวมัจงสอนยากหมายถึงตัวของเราแตกละลายละลาย ที่มีความรับผิดชอบตนเองและสุขผลทรมานตนเพื่อเป็นคนดีการสุขผลทรมานตนเพื่อเป็นคนดีก็เพื่อแช้ความชั่วทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของที่เด็ดทั้งมวลนั้นสลายตัวลงไปมีแต่ความดีเด่นปรากฏขึ้นการจิตใจของดเจิงเป็นของที่ยากลาบากมากไม่ น, น้อยเลยเ <c oughs> มื่อเป็นอย่ญญางนั้นการประกอบการเพียงจึงให้มันถึงกันไม่อยงนั้นไม่ได้ผลเอาให้ถึงกัน ไม่ต้องกลัวตายเดื่อนตายนี่เป็นเงาจนตัวอยู่แล้วถึงวาะแล้วคนดีวกว่าตายคนเทอะทะกว็าตายคนมีชี่ิตคนก็าตายคนบริสุทธิ์ก็ต า, ายอย่างไรก็ตายไม่มีการยิ่งใหญ่กว่ากันลงถึงขั้นในรูปดนกายมาแล้ ว, ลวก็คิดกองแห่งความตายนี้แต่ก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นเราพยายามฝึกเราให้ดับทรมานเราให้ดับตราชีวิตที่ดีในเงื่อเมือน มันมีความสุขความสบายอารมณ์ที่เหลือดนสังจมอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วเราจะหาความสบายที่ไหนไม่ได้ถึงจะเกิดสันพันยอกันขึ้นแสดงจิตยาการยุ่งแย้งสสบใจมันก็เหมือนกับหาเครื่องประดับมาประดับร้านเฉยๆภายในมีแต่กองขี้หมาเต็มภายในร้านอันนี้ภายในใจจริงๆมันก็มีแต่ที่โรคขี้โกรธี่หลงเต้นปรฐนาจิตใจ ทียนน่ยาแสดงอำนาจเป็นความมิแย่งแย่งสายเหมือนกับเครื่องกระดับหน้ารากไม่เห็นมีรรคุณค่าอันไดเราไม่ต้องการเครื่องกระดาษแบบนั้นแต่เราต้องการเครื่องกระดับที่เข้าถึงตัวจริงเชื่อกันกันคือระหว่างจิตกับธรรมเข้าถึงกันเฉพาะข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนเข้าไปให้ถึงกันทนี่เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการความจริงขนายต้องการและต้องทำให้ถึ ง, งความจริงเช่นนั้ น, นยกตัวอย่างยกพระพุทธเจ้าขึ้น เทิดสุเสมอในท่าปฏิบัติหากออกไปเป็นความลําบากอารมีจิตใจจะรอแทบไม่ได้ให้ลึกถึงคือึันใหกล่าวไวาญาณในทัจจักสุโลกกัสงคารามให้ลก ถ, ถึงมีอิทิปโรสรู้จักขาโตรูปติปโนในท้ายของทัจจักสรท่านเขาอาอรัญเดรุขมูลเรลวะทิมญาญ า, าเดวะพิขัวนูก่อนทุกอย่างทั้งหลายก็เกิดทั้งหล่ายอยู่ตามเดือนว่าหรือในฝาลูขมูลต้นไม้ เวลามีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นอนจจาระจะตั้งอุจจาระจะตั้งบุตธให้เราเลือกถึงพรบเราตถาคตคือพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งวาตัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นงั้นก็จะดับไป้าดว่าเนี่ยอัตถะพุทธธรรมเจริแล้วให้เราเลือกถึงธรรมเนื้อเลือกถึงธรรม มันเป็นเกียวบเหมือนโภทั้งสามพระราชลักษณ์ใจยังมาอยู่ให้เราเริ่มถึงพระสงค์เนื้อภัยทั้งหลายก็จะหายไปนั่นท่านสอนแล้ววิสียกถุตพระพุทธเจ้าเป็นพูทธชนะยกท่านขึ้นสู่ดวงใจความกล้าหานจะปรากฏขึ้นไม่จากยกพระพุทธเจ้าเป็นมาแล้วความปลอดแอนี้จะเพิ่มถึง ข, ขึ้นสามนี่ละนี่เราก็เป็นเช่นนั้น การเลื่อนถึงปฏิทถาเครื่งองอันเนื่อของพระพุทธเจ้าเสมอเวลาลําบากเสมอพยายามแหการแสดงออกของจิตใจที่มีกิเลสนี้มันไม่เป็นอิสระแสดงออกอาการใบก็ตามมันเป็นเรื่องของจิเลจควบคุมออกมาเหมือนกับ น, นักโทษพอด้้มโทหน้าออมาจากเรือนจำนายผุมนักโทษก็ามาด้วยติดจ้อยห้ตามบังคับบัญชากันแจ้ไปทั้งเข่าทั้งออก หนึ่งกับันการตียาการความเคื่อนหมายของขันมีรูปมีสังขงารขันสัญญาขันเป็นตัวแสดงออกเนี่อะไรไม่มีพิเดียแสงออกมานี่มันเป็นไปไม่ได้นั้นเป็นเรื่องพิเลียแสงออกมาด้วยคือเป็นนายหน้าคุมมาด้วยควบคุมมาด้วยเึ้นเดียวกับหน้าคุ่มนักโทษหน้าคุมนักโทษอะไร มาสัมผัสสัมพันธ์จิตเรศจะเข้าถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนแล้วทําหน้าที่ก่อนเราเรายังไม่ได้เรื่องเลยล่ะเหมือนกับควายตัวหนึ่งที่ผูกข้าจิน ย, าย่าจตกรรมลานญ่าเนี่ยดู mm hmm. ประสีภาษาว่าเป็นจิตเรศเป็นอาสวะเป็นพิษเป็นพายอะไรต่อเนเองเพราะฉะนั้นจิเตเลศจิงสนุกทําหน้าที่ผิดอํานาจวาสนาของตนขึ้นบนของใจสงสัย ไม่มีจับตัวใดที่จะผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่ได้ น, นำธรรมะธรรมสอนของพระปริชาเป็นเครื่องเทียบเทียงเป็นคู่แข้งขึ้นกันเลยกันแล้วปราบตามกันด้วยความท้าเพีเ่งยงจีตตรงนี้จะหาอิสระไม่ได้แม้แต่กระแสะของจิตอาการของจิตที่คิดตรุงออกมาแต่และขณะดขน า, ขนามันเป็นไปด้วยกิเลสบังคับออกมาเสมออ้าวเอาใหา้นั่งขึ้นกิเลสมันสิ่งเหล่านี้จะไม่เห็นแต่เราจะเดินขึ้นเวลา แสดงออกมาแังนั้นเราไม่ท้าต่อเมื่อมีพระสิปัญญาสรัทธาความเพียรเต็มกําลังได้กําจัดมันออกไปแล้วขันใดแสดงออกมาก็มีแต่ขันรวนๆไม่เหนมีจิเลตตัวใดออกมาเพ่มผักมากควบคุมให้เกิดความลําบากเพราะความคิดตุงเพราะสัญญาอารมณ์เพราะการได้เห็นได้ยินได้ฟัองอะไรอยนั้นก็เป็นขั น, นรุนๆสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสับตัวนี้รสต่างๆตกลิ่นต่างๆ สราโตความคิดความตุงมจำได้หมาลู่ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปในขณะนี้เพราะไม่มีเจ้าของไม่มีหัวหน้าคือพิเดตที่เคยควบคุมมาควบคุมเหมือนแต่ก่อนาันกายการเป็นอิสระตามลำพังให้ส่งขึ้นโดยหลักธรรมภาตของตนเองเมื่อพิเดตเป็นซึ่งเป็นเจ้าตัวกา ร, สรเสาร์ตัวลงไปเสียเท่านั้นนั้นขันก็มาเป็นเครื่องมือของธรรมที่จะนำสะแสดงอัศจรรย์ธรรม ความหมายต่งางๆให้แก่โลกจะเป็นที่เข้าใจดังพระพุทธกาลการใช้รูปธรรมแล้วทรงสังจจ่งพระเดชสั่งสอนโลกจนกระทั่งสี่ข้าพระอาค์ษาก็เอาขันนี้เป็นเครื่องมือขอ ง, ขงถังเพราะที่เดชมันหมดมันขึ้นสชากไปแล้วไม่มีที่เดชใดมายุ่งวนขันนี้เลยแล้วมีความสุขขนาดไหนเมื่อพ้นออกจึกเรือนจังคือที่คุมขังได้แต่วัดตจับแล้วต้อนวัดตกิจอีกวัดตจักรกซิบ ถ้าเกิอเจ็บเจ็บอยู่ไม่หยุไม่หอนวัฏจิตก็คือความหมึนเยนเฉียบแจ้งของจิตที่เป็นไปเพราะอำนาจของความคร อ, อบคุมของสิเลศวัฏจักรวัฏจิตได้จิษษทําลแต่และด้วยมรคยาณหรือเรื่องมครคิมาตะกิตเราจึงเห็นได้ชัดว่าสิเลศนี้มีมากมีน้อยเป็งไรพอตานจะเป็นข้าตัวการสําคัญมาครอบคุมเรื่องขันที่แสดงออกแสงเนี่ยและตะโกนหันขันเป็นไปตามอำนาจของมัน ไ, ามามไม่ได้เป็นอิสระจากตัเเลย แล้วผู้ที่รับผลที่เกิดขึ้นจากที่เรื่อประเทศต่างๆบังคับขันให้ทํานั้นก็คือการได้เลยเป็นเหมือนกับชส่วงเหมือนกับฐานขึ้มนมาผลจากของเจ็บป่วยโสมโสมงอสีโรคอีโรกรธสีหลงสีรสาคะกัญชากรงเข้าไปรวมเข้าไปเทเข้าไปในใจิตใจแล้วมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานทาั้งนั้น จะ ก, กระโตกสวมมงทั้งหลายนี่ได้ตาตาโจไปแล้วเราเห็นม่ชัดหมือนว่ามีอะไรบังคับจิตใจอยู่บังวันทัคืนดูอะไรก็ดูได้เตฉยาไม่คิดในจิตว่าจะเกิดความรักความสั่งในสิ่งที่ดูที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆ ต, ต, ตลอดถึงตรงตึงยืดนรดสัมผักถูกต่อเย็นร้อนอ่อนแสต่าง เปนอิสระในการสัมผัสสัมผัสระหว่างอิสระภายในกับอิสระภายนอกอิสระภายนอกกับอิสระภายในออกสัมผัสกันและจิตที่คิดตามลงทําตัวเองที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้หมายถึงกิเลสเขาควบคุมกิเลสให้ตุมให้แต่งเป็นเรื่องอดีตที่เคยได้เห็นได้ยินมาแล้วมีเชื่อประกรรต่างๆเข้ามาคุ้นคิกผุดพันในจิตใจไม่มีเลิกแล้วก็ถือข้าเรียกว่าธรรมารมณที่เมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้ว ทำมาลงวันนี้มันก็ไม่เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบทำาปเสียทิ้ทงเรืนั้ น, น ม, มันนี้เป็นธรรมดาไมนมีที่เหลือตัวอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันดับไปแล้วมันจะ อ, อะไรมาเกิดความทุกข์ไม่มีมีผลใ ง, งการปรากรามการสุกผลธ ร, รมารมนุษย์คือเราแต่ละคนละคนเอาให้กินให้กินญาติประจามพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างมาทุกทุกกลเนี่ย เราก็เป็นจิตประสาทพจน์กรรมฐานพยาลดวงอ่อนกําลังเพราะถอยความเพียรไม่สมควรจต่ความเป็นจิตประสาทพนเพราะได้ออกหน้าลบแล้วเลยออกหน้าลบก็หมายถึงเราเป็นฆะนอกนั้นนั้นเป็นฆะกรรมฐานตั้งหน้าต่างตาต่อเพื่ปฏิบัติเพื่อรู้สักจธรรมทั้งสี่โดยสมบูรณ์ภายในจิจใจแต่กับเพรถอยแหนงเข้ากรรมฐานกำหลักธรรมเอาให้จริงให้จ่ายอย่าลืมว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์มันยาก มันนี้สำคัญมากและ้ะกิเลสทุกประเภทไม่ว่าส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอยียดมันเป็นคลิด้วยกันทางนั้นเหมือนกับไฟไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเอ็นหรือดอกไฟกระเด็นมาถูกมันร้อนไปทางนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยตามอาการทงกข์ไม่ใช่ของดีเลยมันดับเสียหมดนั่นนหะเป็นสันติสันติกำลังสุขขงังสุก อ, อ, อื่นใดที่ยิ่งกว่าความสงบรากชาพราะรกิเลสสิ่งสากระยะนี้ไม่หนึ่ง เป็นสันติวาสุดท้ายของผู้ปฏิบัติจะพึงได้ครองไม่ต้องไปถามผู้ใดละเพราะพษาษระเจ้าปฏิทามไปกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามพูดสาธุไม่ได้ประมาทท่านสันทิฏฐิโกท่านสอนให้ไข่<ม>ปัจจังเลจะบวมอยู่ท่านสอนให้ไข่มัสกิม า, มาปฏิปทาตถาไดเป็นอสังพุธาท่านสอนให้ไข่ท่านไม่สอนให้พวกเราเราเพื่อปฏิบัติตามแนวทาง ที่ถูกต้องแน่นย่างซึ่งพระองค์เคยผ่านไปแล้วด้วยตะกุฎะชัยท่านสอนเพื่อขันทางแจ้ที่เดชแก้ตรงตรงนี้ที่เหลือลับไปมากน้อยจิตใจรับความผาสุขเสียนใจเพราะที่เหลือดับไปเป็นลําดับลำดาทาไมเราจะไม่ทราบหลักสันที่ิดฐานทีติโกวิโยคพระองค์ประทามไปแล้วนั้นไม่ได้ทรงผูกขาดเฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวหรือสาวกที่ร่วงนี้ผ่านไปแล้วนัน้น ประทานไว้กับปัจจามาปฏิปทาอยู่ด้วยกันต่างใจก็เพื่อปฏิบัติจะต้องได้ยู้ได้ถึงเได้ริมร้มลดจิตพันธุ์จิตใจหายสงสัยที่ใจนี้จะมีที่อื่นที่รายเป็นที่หายสงสัยที่มีกันที่สําผัญมา่าเราวิตโตวิจารก็มีนะเราก็ยิ่งแจ่ตัวไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายแจ่ตัว ไปทั้งหมดเกื่กงองกัลขาเพราะไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนได้กับ่อยแม้แต่ทรงขัาในอตอนนั้นก็เพียบพอแล้วไม่มีกําลังที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่ความสุขที่ผูอุ่นด้วยการแนะนำสั่งสอนได้เป็นประยชนตามประท่าจะเป็นความขาวเปนต้นเราก็ยเห็นนะเวลานี้ท่านตอยหมดทุกสิ่งที่อย่างมันจะทั้งกเกิดลมห้ใจอนั้นดูลมหายใจอยู่มันหมดเมดื่อไรก็ไปมาแต่ทั้งคัญที่ใจธาตไม่มีอ่อน จะเล่นทุบตาทุบขันาาานี่ฮาราฮเวทั้งจักรั้งผาหน่นกับอันนี้พอถึงการเวลาขึ้นมาพอปต่อยแล้วก็เหนนั้นว่าหายความรักติดพาทะเลาะเขาเรียกว่หายกังบลสติหายความยิ่งสติเพราะขันนี้เป็นจังยิ่งจองเกคะกุมัีกระบดี เว่าจะหายแต่ลดลงเรือ่อยน่าจะเป็นการต่อผู้ที่จะเป็นหนักเป็นเกินทางด้านปฏิปทาเพื่อจะยังทําอันเป็นผลของปฏิปทานี้ให้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนมันจะไม่มีแาารงภายในวิ่งเพ่งขวัญขวายตั้งแต่แบบนี้นันถึงว่าอันใดที่มีความพิเศษลดเลยยิ่งกว่าทำในดนโลกภพ น, นี้ไม่มี ท้ามีแล้วจิตก็ไม่ปล่อยมาแล้วไม่ปล่อยสิ่งนั้นเข้ามาไม่ปล่อยวางาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางคํามรักคํามชอบไม่ปล่อยวางความเกลียดความเกรธเพราะสิ่งนี้โลกชอบอยู่แล้วโลเวิร์ดก็ชอบทั้งๆสิ่งนั้เป็นสิงไม่ดีก็พอใจโกรธรักก็ชอบํามหลักความจริงนั้นมันไม่ดีมันเป็นไผ่ น, นั้นงมีอะไรที่จะดียิ่งกว่าอีก เมื่อการปฎิบินแล้วคนณช่คยไปยเดไปถือไปสัมพันธ์นั่นหมายพวพันกันมาถึงตั้งกับตั้งกันมันก็ต่อข้นมาขึ้นมาเพราะทำเป็นทุกข์แความตั้งหมดกินใจต้นเนี้อภาพพื้นการปฏิบัติในเบื้องต้นหรือความตั้งหมดกินใจการเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้เห็นความสุขที่เคยผ่านมากับความสุขที่การเกิดขึ้นเพราะทํามันถึงทํำต่างกันอย่างไรไม่ต้องไปเคียดเสียงมันก็เข้าใจเอง แล้วอันไหนดีกว่ากันมันก็ฆ่าภกยในจิตใจอีกแล้วปล่อยก็มาปล่อยก็มาท่าก็เยอะทําะเอียดสบาปเท่าไรยืมเป็นของแตกสลัดอัตจัมมาอัตจัมมาสิปล่อยสิ่งชั้นหลายที่เคยไปถือมาทั้งส่วนดางส่วนกลางส่วนละเอียดไปเลือยส่วนกลางก็สู้ทําไม่ได้เรงินทั้งโลกส่วนส่วนส่วนตามก็สู้ทําไม่ได้ส่วนกลางก็สู้ทําไม่ได้ส่วนละเอียดพุดหนึ่งพูดถึงเรื <ỗ df> ่องคุณค่า ระคำราคาก็สูทำไม่ได้เท่นั้นเพราะฉะนั้นทำจนเมื่อเข้าใจเมื่อสุดเข้าใจทำแล้วจปล่อยมาโดยธรรมชาติปล่อยมาเองมาเอนไม่ทักตั้งปล่อยเข้ามาจนกระทั่งหาที่ปล่อยไม่ได้หดปล่อยไปหมดโดยสิ้เนเชิงียงึงลดลงน้ำพักที่เป็นเลนกับตาหูจมูกหัวึกแรเข้ามา ไปส<ฮ>ุดภาะปรามันขันห้าหยุดเลิกเวทนาทาังา้งดาทั้งกายทั้งใจจอยพระจึงอันนี้มันไม่ใช่สังหรณ์นั่นไม่ใช่สาระที่พันขึ้นแต่ยังประโยชที่เกิดขึ้นเป็นที่ถึงใจจ อ, อยเข้าไป่อยเขาถึงถึงท่าถึงจุดอะไรทาให้เกิดความรักความชอบภายในจิตให้จิตพันหรือภายในจิตยึดมั่นหรืมั่นในจิตนั่ก็มีสายมันมีตัวกลางเจตนาเข้าไปจนรู้แค่ไห น, นครับ ไม่สุ่งนั้นสิ่งนั้นก็สู้จิตไม่ได้อีกสิ่นั้นก็สู้ทําไม่ได้ถ้าปล่อยอยีกนม่ยังไงก็ไม่มีอะไรที่จะปลดหมดรับได้ต่อให้ข้างนอกเข้าไปข้างในต่อให้ข้างใ น, นจนหมดตลอดตัวถึงไม่เหลือแล้วตอะไรอีกมีพูดกระดูกเหมือนว่า ง, ง่ายนะการปฏิบัติตย้อนถึงทา ง, ทางปฏิบัติทางการดําเนินด้วย เอาเป็นตาทวารหยิบจิตใจแลกกันเลยฉะนี้ผู้รู้ควรรู้ว่าถึงได้รู้ควรเห็ทได้ไหมมันขอให้ทุกทุกทักตั้งจิตตั้งใจอย่าให้มีเรื่องอะไรด้วยเั็นสิ่งหยากๆภายนอกอย่าให้มือเปนนังค่ะสำหรับวัดนี้ตั้งแต่สร้างแล้วต่างกันต่างมาเราก็ไม่เคยมีเรื่องการทะเลาะบอกแวงกันเพราะต่างคนต่างมุ่งอัดม <c oughs> ุ่งทำ เต็มหัวใจอยู่แล้วพูดกันรเรื่องอะไรมาเรื่องของกิเรสนั้นเราทราบแล้วว่าเราจะมาปราบกิเลสแต่ในขณะเดียวกันย อ, อ, อย่าเอากิเลสมาออกเละเทะเป็นการกระทบกระเทือน <Yeah. S 1> ขายหน้าขายตาตัวเองมากเหลือที่สุดในสนักของท่านผูน้มีต่อธรรมการเข้าใจมันอวดดีหนึ่งหลักคือคนอวดชั่ว ถ้าความดีมาได้ปวดออกมาเมื่อไรก็คือความชัว่วจะสองเด่นชัดขึ้นมาให้ตาโลกได้เห็นดีแล้วไม่ต้องปวดมันก็รู้ดีแล้วไม่ต้องอวดก็เห็ูปฏิบัติทำมุ่งต่อเหตุต่อผลเท่านั้นอยากดีแต่ในผลแม่เมืองมันก็ดีไม่ไน่ามีแต่ความอยากอวดก็อวดเฉยๆไม่เกิดระโยชน์อะไรนอกจากขายตัวเองจนไม่มีอะไรเหลือที่จะขาย สี่นี้เป็นของอยาของยาให้มีขึ้นมาเป็นการเป็นที่ขายตัวเองแะขายวงคณะที่หาชิ้นดีไมไ่เหลือเพราะต่างคนต่างมีจิตเดชเป็นที่เป็นขยันในขณะเดียวกันก็ต่างคนต่างไม่ทําเป็นเครื่องปราบจางจิตเดชของตนด้วยกันทำไมจะต้องปล่อยออกมาเป็นอานุธรรมกายกันเหมือนหมาวัดไม่ใช่โรงเลี้ยงหมา นั้นทะเลาะกันก็นั่นและทะเลาะกันก็คือกัดกันนั่นอหลมันมีอย่างนั้นนั่นด้วยเรวที่สุดมี่เราพูดให้เข้าใจได้ที่สุดไม่ได้หมายถึงแบบพระนินเราเกิดความทะเลาะหมั่นกันผู้าี่เข้าใจว่าโทษคุณนะต่างกันอย่างไรของความชั่วกับความดีโทษของความชัว่วกับคุณค่าของความดีนี่เรามาหาคุณค่า ความมีราคาแต่ตัว ม, มัดระวังทุกสิ่งทุกอยกมันแสดงออกมาอาการใดก็ให้ทราบว่านี่คือกิเลสมันกําลังเริ่มเคลื่อนไหล อ, ออกมาแม้แต่มุดหิรัญนจิตใจก็ต้องค้นเข้าไปหาหิรทําไมมุหิรัไม่พอใจกับองค์นั้นแล้วพอใจกับองนี้เป็นเพเหตุอะไรคือต้องนี้ความมุดหิความไม่พอใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเราเคยรู้มาแล้วทำมาทุกจังต่อขมอาเพ่นพ่านเหยียบหัวใจอีูไม่สนใจแก้ไขและยิ่งไปคิดถึงเรื่องทุก ผู้ไม่พอใจนั้นด้วยแล้วก็ายึดเป็นการเสริมเกียรติอย่างสูตยิ่งหลงไปอย่างพิษไปต้องย้อนเข้ามาดูตัวงมีเครือแสดงมันอยู่กับเาถ้าเป็นไฟก็ขอเราอหยียบเลยมันยังไม่เขาขาดเขาเราจะกอดทําที่ให้แก้ที่ตรงนี้แนักปฏิบัติต้องโอปัญญะโก้ถึงย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาไปไมันออนอกเลยขอศีล ตอนนี้ท่านปาดน